สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครักรายการบริสุทธสมัยพุทธ ก, กาลกได้มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติอีกนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของหมอชีวโกโกมารพัฒอุบาสกนะครับในเรื่องในตอนที่แล้วที่เรามาก็เกี่ยวกับเรื่องมีพระธีระรูปหนึ่งชื่อจุลปันโท ได้มาอยู่ที่วัดชีวกรรมพวันของหมอชีวกโกมารพัฒนะครับแต่ว่าการมาอยู่ที่นี่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือท่านพระจุลปันถกธีระเนี่ยเมื่อประจมสา่าอยู่ที่นี่แล้วท่านได้เรียนคาถาหนึ่งบทหนึ่งคาถานะครับใช้เวลาสี่เดือนท่องเนี่ยท่านจำไม่ได้เลยได้หน่าลืมหลังได้หลังลืมหน้า เมื่อท่องไม่ได้อย่างเนี้ท่านมีพระพี่ชายอยู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระที่ได้เป็นพระอรานแล้วนะครับชื่อว่าพระมหาปัญโตกไม่เห็นน้องชายมีสติปรรัญญาค่อนข้างจะงูกเขา่าท่องคาถาหนึ่งคาถาไม่ได้เนี่ยก็เลยพูดขับไล่ให้น้องชายออกไปจากวัดชีวกรรมภวันนี้ พระจุลปถกเทระท่านก็ได้มายืนอยู่ในที่สุดของพระพิหารและก็ยืนร้อห้ยอยู่ด้วยนะครับในการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้ามาที่กรุงราชฤกษ์และได้ไปประทับอยู่ที่วัดชีวกรรมพวันนั้นฝ่ายหมอชีวกได้ทราบข่าวจึงได้ให้ปรุกคนหนึ่งไปว่าเธอจงไปกราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมกับพระภิกษุสมฆ์ห้ารูปมาฉันปตาหารในครั้งนั้นพระมหาพันโกเถระผู้เป็นพัตตุเทศคําว่าพัตตุเทศเนี่ยนะครับก็คือพระผู้ได้รับหน้าที่จะประสงค์นะครับที่จะเป็นพัตตุเทศเนี่ยได้รับหน้าที่จะประสงค์ให้เป็นผู้แจกพัดและรวมทั้งจัดจัดพระภิกษุไปฉันตามบ้า น, เ, นเพื่อเมื่อมี ผู้มณีมนท่านก็จะเป็นผู้ที่เตรียมจัดพระให้ไปยังกับบ้านนั้นนั้นว่ามีกี่องค์ท่านก็จะจัดไปแล้วก็จะเลือกพระให้มีลาบเสมอกันคือไม่เล่นพักเล่นพวกอไอย่างนั้นนะสร้างความเสมอภาคขึ้นเป็นคนจัดลำดับพระที่จะไป อย่างบ้านที่ยาจโจงเข้ามานิมนต์ไปเรียกว่าพัตตุเทศเครนี้เมื่อมีบุรุษผู้รับใช้จากหมอชีวก โ, โกมาราพัดมากราบเปลี่ยนนิมนต์ตท่านท่านก็จึงกล่าวว่าอาตมารับนิมนต์เพื่อพระพิสุ้งหมดเว้นไว้แต่พระจุลบันทกเพียงรูปเดียวคือไม่เอาพระน้องชายไปด้วยไม่ยังไง พระจุลบันถกเทระได้ทราบเรื่องนี้ก็ยิ่งมีความโท่มนัดคือเสียใจมากขึ้นไปอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงการได้ตรัสรู้ธรรมบิเศษสูงสุดและทรงทราบเหตุการณ์ดังนั้นจึงเสด็จไปหาพระจุลบันฑกเทระและแตรัสถามว่าดูก่อนจุลบันฑกเธอร้องไห้ทําไมพระจุลปันถกเทระกราบ ทูล ต, ตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระมหาปัญโตกเทระพี่ชายของข้าพระองค์ประนามและขับไล่ข้าพระองค์พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนจุลปทกพระพี่ชายของเธอไม่มียานคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษเป็นเครื่องรู้ อาสยานุไสมีฉันทะความพอใจเป็นที่มานอนและกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานการที่ไม่รู้จักอาสยานุสัสของบุคคลอื่นชื่อว่าเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าพึงนำไปได้พอตรัสดังนี้แล้วจึงทรงนรมิตผ้าขาวพื้นหนึ่งและประธานแก่พระจุลวัฒนถกเทระ แล้วตรัสสอนว่าโทจึงถือพระขาผืนนี้ไว้และภาวนาคำว่าภาวนาก็คือทำให้เกิดมีขึ้นในทางจิตใจให้เกิดมีเกิดเป็นเกิดเข้าใจในทางจิตใจให้ได้โดยมีคาถากากับว่าระโชหระนังระโชหระนังซึ่งเป็น ถ้อยคําที่มีความหมายนะครับแต่ว่าพระอาจารย์บางท่านหรื อ, อผู้ที่ชอบทางคาถาอาคมก็จะเอาคํานี้แหละมาสอนให้บุคคลที่จะรำเรียนหนังสือเพื่อให้เกิดสติปัญญาดีก็จะมาสอนให้ว่าราชหะระนางราชหาระระนางเนี่ยครับแต่ความจริงคําว่าราชหะระนางนั้นแปลว่า ผ้าเปื้อนทุลีนะครับป้าผ้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนผงนี่แหละครับแต่คนที่ไม่รู้ความหมายก็เอามาทําให้เป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้แต่ความจริงไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ที่คาถาหรอกครับศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจของผู้นั้นตั้งใจภาวนาตั้งใจเจริญจิตก็จะรวมเป็นกําลังเกิดขึ้น ตอนี้เมื่อพระจุลบันธุ์ได้รับผ้าขาวจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็นำเอามาลูปครัมแล้วก็บริกรรมไปด้วยว่ารัชโชหระนังราชโชหระนังรัชโชหระนังอย่างเงี้ยผ้าขาวที่เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ก็เปื้อนเป็นเหมือนผ้าเก่าขึ้นมาทันทีแล้ยิ่งท่านลูปครัมบ่อยๆผ้านั้นก็เป็นเหมือนผ้าสําหรับ เช็ดหม้อข้าวนะครับผ้าคีร้วในครัวเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างนั้ น, นะครับท่านจะใช้ผ้าสีอะไรก็ตามเอามาใช้ในครัวนะครับเช็ดอยู่ในครัวนั้นบ่อยๆเข้าเช็ดหม้อเช็ดอะไรก็แล้วแต่ผ้าสีหรือผ้าขาวนี่ไม่ต้องพูดละผ้าสีเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนสีไปหมดนะครับเพื่อเราใช้ไปซักไปยชักไ ป, กไปเป็นสีค้นข้างจะคล้ำดำไปนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อเจริญสติได้อย่างหนึ่งที่จะตักเตือนในเห็นว่าผ้าก็มีการก่าวได้สีเดิมก็สูญสลายไปไม่ได้คงที่อะไรเลยนะครับผ้าก็เป็นอนิจจังเหมือนกันฉะนั้นเมื่อพระจุลปถกเถระถรท่านได้ภาวนาผ้าขาว เอามาใส่มือแล้วภาวนาระชูระนังระชูระนังเนี่ยนะครับท่านก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผ้าแล้วท่านอาศัยความแก่กล้าแห่งยานคําว่ายาณ น, นี่เป็นความหมายที่อย่างลึกกว่าปัญญาลงไปนะครับคือเหมือนความว่าปรีชาอย่างรู้หรือว่าความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษ ความแก่กลายย้าหงอย่าดก็พิจารณาความสิ้นและความเสื่อมไปในสังขารคือเปรียบเทียบผ้ากับสังขารว่าผ้าเช่นนี้เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์แต่มัวหมองแล้วเพราะอาศัยร่างกายที่มีวิญญาณถึงแม้ว่าจิตนี้ก็เหมือนกันแล้วท่านก็ทำสมาธิให้เกิดได้สาเร็จรูปราวจรฌานสี่ และทํารูปาวจรชาน4ีให้เป็นบาทคือเป็นที่ตั้งแล้วท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาคำว่าปฏิสัมพิทาก็คือปัญญาอันแตกฉานหรือความรู้แตกฉานในเองนะครับและท่านได้สำเร็จฌานอันสำเร็จด้วยใจเป็นผู้สามารถทําคนเดียวให้เป็นหลายคนได้ และทำหลายคนให้เป็นคนเดียวได้และท่านได้รู้พระไตรปิฎกจบได้อภิญญาคือความรู้ยิ่งหรือความรู้ชั้นสูงหกประการพร้อมกับการสำเร็จอรหัตมักคำว่าอรหัตมักก็คือทางคือความเป็นผู้ไกลาจากค่าศึกคือกิเลสนั่นเองครับคราวนี้มาดูเรื่อง ความรู้ที่พระจุลปันธกท่านเกิดในตอนนี้แต่ว่าในพรรษาสามเดือนท่านท่องคาถาสี่คถาไม่ได้อันนี้เป็นบาปที่ท่านได้เคยสร้างมานะครับในอดีตชาติพระจุลปันธุกนี่เคยเป็นคนมีสติปัญญาดีก็ได้ไปเรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนอยู่ปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนปัญญาไม่ดีเรียนอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง เรียกว่าโง่แล้วกันนะครับพูดสันตันว่าค่อนข้างจะเป็นคนปัญญาทึบพระจุลบันถกเนี่ยเป็นคนบัญญาดีก็เลยไปหัวเราะเยาะเพื่อนคนนั้นทำให้เพื่อนเกิดความอับอายกรรมอันนั้นเลยครับตามมาทำให้พระจุลบันถกธีระเนี่ยท่องคาถาหนึ่งระถาสี่เดือนให้สามเดือนไม่ได้นะครับ เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับการจะไปดูถูกผู้คนว่าคนนั้นโง่คนนี้โง่อะไรเงี้ยไม่ควรจะพูดดีกว่าเพราะพูดไปมันก็เป็นบาปเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองเพราะคนเราเกิดมาในสติปัญญามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับคนที่มีปัญญาดีก็จะเรียนรู้ได้เร็วคนมีปัญญาไม่ดีก็จะเรียนรู้ได้ช้าแต่ว่าถ้าทุกคนใช้ตัว ความขยันหมั่นเพียรร่ำเรียนไปก็สามารถที่จะเรียนจบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนที่ว่าปัญญาไม่ค่อยดีเรียนรู้ช้านี่แต่บางทีความจำนี่เขาจำได้ทนเพราะว่าเขาฝึกฝนอยู่นานก็เข้าไปซึมซับอยู่ในจิตใจของาได้นานจำแม่นไม่ค่อยจะลืมเลือนครับส่วนผู้ที่มีปรรัญญารู้ได้เร็ว บางทีจะลืมเรื่องง่ายคือเรียนรู้เร็วแต่ก็ลืมเร็ววนกันก็เป็นอันว่าผลบาปที่ท่านเคยรเราะยกคนอื่นเขาไว้ก็ทาให้ท่านต่อมาตกที่นั่งเป็นคนปัญญาอับปัญญาทึบอยู่สเดือนนะครับสเดือนนะครับขอโทษด้วยพูดอยู่ท่องอยู่ยังไงก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทาให พระพี่ชายเนี่ยก็ไม่พอใจน้องชายถึงกับขับไล่ออกจากวิหารไปหลังจากที่ท่านพระจุลบันทกธีระได้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยรุปคุณช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์499รูปไปในนิเวศของหมอชีวกโกมารพัฒน์ส่วนพระจุลบันทกธีระ ไม่ได้ไปด้วยเพราะพระพี่ชายไม่ได้รับนิมนต์ไว้เผื่อท่านคือตัดเอาออกจากการรับนิมนต์นั่นเลยพระมีอยู่500รก็รับนิมนต์ไว้499รูปฝ่ายหมอชีวโกโกมารพัฒเริ่มจะถวายเข้าต้มพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้พระหัต ปิดบาดไวหมอชีวโกโกมารพัฒจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงรับพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนหมอชีวกพระที่วิหารยังมีพระภิสุธิ์อีกหนึ่งองค์หมอชีวโกโกมารพัฒเมื่อทราบดัง น, นั้นก็จึงใช้ให้บุรุษไปว่านี่แนพบพราะคุณ เธอจงไปพาพระคุณเจ้าผู้นั่งอยู่ในวิหารมาที่นี่ส่วนพระจุลปันถกในเวลาที่บุรุษนั้นยังมาไม่ถึงจึงเนรมิตพระภิกษุ ข, ขึ้นหนึ่งพันองค์ไม่ให้เหมือนกันเลยสักองค์เดียวและให้กระทำกิจต่างๆกันเป็นไม่ให้เหมือนกัน เห็นบ้างตัดจีวรบ้างเย็บจีวรบ้างย้อมจีวรเป็นต้นมีกรเยกิจเป็นข้อตอย่างสองอย่างที่ว่าไม่เหมือนกันเมื่อบรุษนั้นไปเห็นพระพิสุมีอยู่มากในวิหารก็ได้กลับมาบอกหมอชีวกว่าท่านครับที่วิหารมีพระภิสุสงเป็นจานวนมากมายกระผมไม่รู้ว่าจะนิมนต์องค์ไหนมาขอรับ หมอชีวโกโกมารพัทจริงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพิสุที่ยังอยู่ในวิหารชื่ออะไรพระเจ้าคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าชื่อจุลปันทกหมอชีวกจึงสั่งบรรดานั้นว่าเธอจงกลับไปอีกแล้วก็จงถามขึ้นว่าท่านองค์ไหนชื่อพระจุลปันทกพอทราบความแล้วก็จง นำท่านมาที่นี่ปรุษนั้นก็ไปที่วิหารแล้วถามว่าข้าแต่พระกุณเจ้าทั้งหลายท่านองค์ไหนชื่อพระจุลปันทกครับพระภิกษุหนึ่งพันรูปกล่าวพร้อมกันว่าอาตมาชื่อจุลปันทุกเหมือนกันหมดปรุษนั้นจริงไม่รู้จะนำพระจุลปันทกองค์ไหนมาก็จึงกลับมาบอกกับหมอชีวโกโกมารพัทอีว่าท่านครับ พระภิกษุประมาณหนึ่งองค์ล้วนบอกว่าอาตมาชื่อเจริปันถกทั้งนั้นก็ผมไม่รู้จะนิมนต์พระคุณเจ้าองค์ไหนมาครับหมอชิวโกมารพัฒก็รู้ได้โดยในว่าพระภิกษุมีฤทธิ์เพราะตรัสรู้สัจธรรมสัจธรรมก็คือทรรมที่แท้จริงได้แก่ อริยสัจจะทำทั้ง4ี่ประการนะครับทั้งนี้เพราะหมอชีวโกโกมรพัฒเป็นผู้แทงตลอดของจริงแล้วคือท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ออกจะรู้ความเป็นไปของพระที่ได้สาเร็จมรรคผลได้จึงสั่งบุุษนั้นว่านี่แน่พอคุณถ้าท่านองค์ไหนพูดขึ้นก่อนเธอจงจับชายจีวรของท่านองค์นั้นไว้แล้วกราบเรียนว่า พระบรมศาสดารับสั่งให้มาฟังบรุษนั้นก็ได้ไปที่วิหารและได้กระทําตามที่หมอชีวโกโกมารพัฒกล่าวแนะนำวิธีการมาและในทันใดนั่นเองพระภิกษุมีประมาณ 1,000 องค์ก็หายไปบรุษนั้นจริงพาพระจุลปันถุเทระมาที่นิเวศของหมอชีวโกโกมารพัฒ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรับประเค้นข้าวต้มในขนาดนั้นก็เป็นอันว่าหมอชีวกมีโอกาสได้กระทําบุญสุนทานสมที่ตั้งเจตนาไว้คราวนี้ความรู้ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของอุบาสกหมอชีวโกโกมารพัฒก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ เพื่อต้องการอยากจะให้รู้รึงคุณสมบัติของอุบาสกเป็นอย่างไรได้มีข้อความปรากฏอยู่ในบาลีคำพีอังคุตตริกายอัตการิบาตแห่งชีวกระสูดว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะวัดชีวกัมพวันคือวัดสวนมะม่วงของหมอชีวโกโกมารพัฒเขตเมืองราชครืครั้งนั้นหมอชีวโกโกมารพัฒ เข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงในสถานที่อันควรสวนครั้งหนึ่งแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรบุคคลจริงชื่อว่าเป็นอุบาสกพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนหมอชีวกด้วยเหตุที่บุคคลนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกจึงชื่อว่าเป็นอุบาสกแล้วคําว่าอุบาสกนี่ก็แปลว่าผู้นั่งไกลพระตนาตรัยนะแล้วก็หมายถึงขรหัตผู้ชายที่นับถือพระพุทธธรรมประสงค์อย่างมั่นคงหมอชีโวโกโกมารพัฒกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่ อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนหมอชีวกโดยเหตุที่อุบาสกเป็นผู้ 1. หนึ่งงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. องดเว้นจากการลักขโมย 3. มงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรม 4. ีงดเว้นจากการพูดโกหกห งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาและเสพสิ่งมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลหมอชีวโกโกมารพัฒกราบทูลถามต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรอุบาสกจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอิบายว่าดูก่อนหมอชีวกด้วยเหตุที่อุบาสกนั้นหนึ่งตนเองเป็นผู้มีศรัทธาไม่ชักชวนผู้อื่นให้มีศรัทธา 2. ตนเองเป็นผู้มีศีล ไม่ชักชวนให้ผู้อื่นมีศีลสามตนเองเป็นผู้มีการบริจาคไม่ชักชวนผู้อื่นให้มีการบริจาคสี่ตนเองเป็นผู้ประสงค์เห็นพระพิสุไม่ชักชวนผู้อื่นให้ประสงค์เห็นพระพิสุห้าตนเองเป็นผู้ต้องการเพื่อฟังพระสธรรมไม่ชักชวนผู้อื่นให้ ต้องการฟังพระธรรม 6. ตนเองเป็นผู้จำพระธรรมที่ตนฟังแล้วไม่ชักชวนผู้อื่นให้จำพระธรรม 7. ตนเองเป็นผู้พิจารณาอัฏฐะคือเนื้อความแห่งธรรมะเฉพาะตนคนเดียวไม่ชักชวนผู้อื่นให้พิจารณาอัฏฐะคือเนื้อความแห่งธรรมะ 8. ตนเองรู้ทั่วถึงอัฏฐและธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมะอ่านสมควรแก่ธรรมะผู้เดียวไม่ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะเหมือนกับตนด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้และอุบาสกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหมอชีวโกโมารพัฒกราบทูลถามต่อไปอีกว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่อุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายว่าดูก่อนหมอชีวกด้วยเหตุที่อุบาสกนั้น 1. ตนเองเป็นผู้มีศรัทธาและชักชวนให้ผู้อื่นมีศรัทธาด้วย 2. ตนเองเป็นผู้มีศีลและชักชวนให้ผู้อื่นมีศีลด้วยสามตนเองเป็นผู้มีการบริจาคและชักชวนผู้อื่นให้มีการบริจาคด้วยสี่ตนเองเป็นผู้มีประสงค์จะเห็นพระพิสุิ์และชักชวนผู้อื่นให้มีประสงค์เห็นพระพิสุิ์ด้วย 5. ตนเองเป็นผู้ต้องการ ฟังพระธรรมและชักชวนผู้อื่นให้ต้องการฟังพระธรรมด้วย 6. ตนเองเป็นผู้จําพระธรรมที่ตนฟังเองแล้วและชักชวนให้ผู้อื่นจําพระธรรมด้วย 7. ตนเองเป็นผู้พิจารณาอัฏฐ ะ, ะ, ะ, ะคือเนื้อความแห่งธรรมะที่ตนฟังแล้วและชักชวนให้ผู้อื่นพิจารณาอัฏฐะคือเนื้อความแห่งธรรมะด้วย ตนเองรู้ทั่วถึงอัฏฐและธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะและชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะด้วยด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละอุบาสกจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ หมอชีวโกโกมารพัฒที่ทำหน้าที่เป็นอุบาสกก็เป็นการทำเพื่อให้สังคมได้รับความสุขความสบายตามสมควรที่ท่านมีความสามารถจะพึงกระทำได้นะครับและหมอชีวโกโกมารพัฒได้กราบบังคมทูลรับอาสาเพื่อนำพาพระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งมคตรัตไปเข้าฟ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ตามที่มีเรื่องกล่าวไว้ในบาลีคำพีที่ขณิกายมหาที่ขณิกาชีละขันธวักดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์5 0รูปประทับอยู่ที่วัดชีวกัมพวันคือวัดสุนโมมของหมอชีวโกโกมารพัฒใกล้กรุงราชครืในแว่นแควนมคธ ครันันพระเจ้าอาชาติศัตรูราชาแห่งแบนแขวนมคตทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารและพระนางเวเทหิราชเทวีหลังจากที่พระองค์ทรงกระทําปีตุคาตคือทรงฆ่าพระราชบิดาแล้วก็ทรงเกิดความไม่ผงแพ้วในพระราชาหฤทยัยไม่เป็นอันบรรทมมีแต่ทรงตรอมตรมด้วย โศกาดูลภาพคือความเป็นผู้ร้องไห้สอึกสอื่นอยู่คือนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาที่เสด็จสวรรคตไปจนจอมนาราธิเบศพระมหากษัตริย์มีพระราชประสงค์จะทรงสแสวงหาสมณพราหมณ์ผู้อิเศษที่มีศีลอันงามเป็นต้นที่สามารถทำให้พระาราชฤทัยของพระองค์ ทรงผ่องใสได้แล้วเสด็จออกไปประทับถ้ำกลางหมูมุขขา ม, มาต ร, ราชบริพานในราตรีวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองแล้วทรงอุทานว่าดูก่อนอำ ม, มาตทั้งหลาย ราตรีวันนี้มีดวงจันทร์แจ่มกระจ่างน่ารื่นรมนักหนาราตรีวันนี้มีดวงจันทร์แจ่มจรัดงามจริงเนาะน่าชมเหลือเกินน่าเบิกบานนักหนามีลักษณะงามเด่นนักวันนี้เราควรจะไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดดีเนาะจึงจะทําให้ใจของเราผ่องใสได้ มีพวกอมตะหกท่านด้วยกันเมื่อหลังจากที่ฟังพระเจ้าอาชาติตศัตรูตรักปรารบอย่างนี้แล้วต่างก็ได้กราบมังคมทูสลสรรเสริญคณาจารย์ทั้งหกท่านคือปุรณกัสปะมัคลิโคสารอชิตะเกสก ร, รมพลปรกรถกจายนะสนชัยเวรับุตร และนิครนนาตบุตรผู้เป็นนับถือของตนของตนให้พระองค์ได้ทรงทราบแล้วกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปหาคณาจารย์ทั้งหกท่านเหล่านั้นแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทรงพอพระราชฤไทจึงทรงนิ่งเสียในเวลานั้นหมอชีวโกโกมารพัฒได้นั่งเฝ้าอยู่ในที่ใกล้พระเจ้าอาชาติศัตรู พระองค์จึงมีพระราชลํารัตถามว่ามอชิบกุกทําไมท่านจึงนั่งนิ่งอยู่เช่นนี้มอชิบุกโกมารพัฒเห็นเป็นโอกาสอันสมควรจึงกราบบังคมทูลขึ้นว่าขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระมมเวลานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะวัดอัมพวันวิหารของข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระพิสุสงฆ์ผู้ล้วนแต่ทรงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ประมาณ 1,250 รูปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกิติศัพท์อันดีแผ่ไพศาลไปว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังผู้เป็นพระอระหันต หมายถึงผู้ไม่มีกิเลสส ม, มาสมบุตโตเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพิเศษด้วยพระองค์เองโดยชอบวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้แจ้งและจารณะคือความประพฤติสุขโตเสด็จไปดีแล้วคือทรงดำเนินดีในเหตุการณ์ทั้งปวงโลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลกโดยแจนแจ้งอนุตโรบุริสธรรมสารทิเป็นผู้ฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าไม่มีใครที่จะมาฝึกฝนได้เท่าเทียมพระองค์เลยสถาเทวมนุษยานางเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ผู้ตื่น และผู้เบิกบ่านแล้วเป็นผู้ทําให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ตื่นจากหลับคือความโมเอาอยู่ด้วยกิเลสภควาเป็นผู้มีโชคหรือผู้จำแนกแจกธรรมพิเศษให้แก่บุคคลทั้งหลายขอใต้ฝ่าละองทรีพระบติสเสด็จไปฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดข้าพระพุทธเจ้า เห็นด้วยกล้าวด้วยกระห ม, ม่อมว่าถ้าใต้ฝาละองทุยพระบาทเสร็จไปฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระาชรนไทยจกทรงผ่องใสได้พระพุทธเจ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูมีพระราชบัติว่าดูก่อนหมอชีวกถ้าอย่างนั้นท่านจงให้เตรียมหัฐิยานหรือยานแต่แก่ช้างนะครับ แต่เป็นหัตถิยานที่เป็นพระกระชาทานคือช้างพระที่นั่งของพระองค์กับของเหล่านางสนมทั้งหลายในบัดนี้เถิดหมอชีวโกโกมารพัฒกราบบังทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่าพระพุทธเจ้าขา้าขอรับใส่กล้าวใส่กระห ม, ม่อมแล้วจึงกราบถวายบังคมลาออกจากที่เฝ้าไปสั่งให้เตรียมนางช้างพังประมาณหร้อยเชือก และช้างทรงคือช้างพระที่นั่งนับว่าเป็นความรอบรู้เลยความสามารถตรอดถึงความจงรักภักดีของหมอชีวโกโกมารพัฒจัดว่าเป็นหนึ่งที่หาผู้เปรียบเทียบได้ยากดังมีเรื่องอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์มังคะวีลาสินีที่ขยายความบาลีสามัญอย่ผ ล, ลสูตรเป็นสูตรที่ว่าโดยผลของความเป็นสมณนะ ได้แก่ประโยชน์ที่จะได้จากการดำรงเพศเป็นสมณะหรือการดำเพ็นสมณะธรรมคือธรรมของผู้สงบในคำพีทีคานิกายศีลขันธวักว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสสั่งให้หมอชีวโกโกมารพัฒจัดหัตถียานคือยานช้างนั้นมีคำถามว่าเพราะเหตุใด ห, หมอชีวโกโกมารพัฒจึงได้จัดหัตถิยาน ล้วนแต่นางช้างพังถึงห้าร้อยเชือกโดยพระเจ้าอาชาศัตรูไม่ได้ตรัสสัง่งมีคำตอบว่าเพราะเหตุว่าหมอชีวกโกมารพัฒเป็นคนฉลาดคือเขาคิดว่าเมื่อพระราชาตรัสว่าเราจะไปในวันนี้ถ้าหากพระราชาทรงประสบ อันตรายในระหว่างทางบุคคลทั้งหลายก็จะพูดติเตียนเราได้ว่าหมอชีวโกโกมารพัฒได้อัญเชิญเสด็จพระราชาไปในเวลาอันไม่สมควรทางพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะถูกผู้คนติเตียนได้ว่าพระสมณโคดมไม่ทรงรู้จักเวลาที่ให้บุคคลทั้งหลายไปมาหาสู่เพราะฉะนั้นหมอชีวโกโกมารพัทน จึงได้จัดแจงการรักขาเป็นอย่างดีเพื่อมาให้มีความเสียหายหเกิดขึ้นแก่ตนและแก่พระทศพลสมมาสัมพุทธเจ้าการที่หมอชีวโกโกมารพัฒได้จัดให้นางสนมขึ้นขี่ช้างตามเสด็จพระเจ้าอาชาติศัตรูไปถึงห้าร้อยคนนั้นเพราะเขาพิจารณาเห็นว่าพยันตรายย่อมไม่มีแก่บุุษ ท้งหลายเพราะอาศัยสตรีบุรุษที่สตรีห้อมล้อมไปย่อมเป็นสุขเขาจึงให้นางสนมกำนัน5้าร้อคนแต่งตัวเป็นบุรุษถือดาบและหอกพร้อมทุกคนขึ้นประจําช้างคนละเชือกหลังจากหมอชีวโกโกมารพัฒนได้จัดเตรียมการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงคิดว่า พระเจ้าอาชาติตศัตรูคงไม่มีอุปนิสัยคือเรียกว่าบุญบารมีที่เคยสร้างสมมนอดิตนั้นที่จะได้บรรลุมรคลในชาตินี้เป็นแน่แต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทราบถึงอุปนิสัยของเวนยสัตว์คำว่าเวนยสัตว์ก็คือสัตว์ผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้ดีและพระองค์จึงทรงแสดงธรรม เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มหาชนได้ตามเสด็จพระชาไปด้วยทางนี้เมื่อมหาชนตามเสด็จไปเป็นจานวนมากพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงแสดงธรรมะโปรดด้วยทรงเห็นอุปนิสัยคือความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในจิตของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นแน่แท้และพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะ เป็นประโยชน์แก่มหาชนที่ประชุมกันอยู่นั้นเมื่อเขาคิดดังนี้แล้วจึงให้คนตีกรงร้องประกาศไปทั่วพระนครว่าในเวลาราตรีวันนี้จอมกษัตริย์ของเราทั้งหลายจะเสด็จไปฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอมหาชนจงไปจัดการอารักขาพระเจ้าอยู่หัว ของพวกเราตามสมควรกับหน้าที่ของตนของตนเถิดมหาชนเมื่อได้ฟังประกาศดังนั้นจึงปรึกษากันว่าในคืนนี้พระเจ้าอยู่หัวของพวกเราจะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นเช่นไรเนอะคืนนี้พวกเราไม่ต้องการจะไปดูมรรสพ ที่ไม่มีประโยชน์เลยนี่ก็เป็นความคิดของประชาชนที่ได้ฟังคำประกาศเชิญชวนว่าให้ไปฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพราะว่าหมอชีวโกโกมารพัฒ ต, ต้องการอยากจะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ร่วมไปในคณะนั้นได้เข้าใจว่าจะมีคนที่มีอุปนิสัย ที่จะทำให้ได้บรรลุมรคผลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะได้ตรัสพระธรรมเทศนาที่จะทำให้การบรรลุมรคผลของบุคคลทั้งหลายมีขึ้นแล้วก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเทศนานั้นให้เข้าใจในความเป็นจริงได้มาก มนความพระองค์จะทรงยกข้อธรรมที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังขึ้นมาในสถานที่นั้นเพราะอาศัยบุคคลผู้มอีอุปนิสัยที่ได้สร้างสมอบรมความดีมาในอดีตชาติครับฝ่ายหมอชีวโกโกมารพัฒเมื่อได้จัดตกแต่งราชพานะเสร็จแล้วจึงได้ขึ้นไปกราบบงโคมทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูว่า พอเดชะฝ่าละองทุรีพระบัติปกกล้าปกกระมมข้าพระพุทธเจ้าได้จัดอัถียานไว้พร้อมศัพท์แล้วขอใต้ฝ่าละองทุรีพระบัติจงทรงกระทําตามพระราชเทีาศัยในบัตรนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูจึงเสด็จขึ้นทรงช้างพระที่นั่งที่เสพรังพร้อมไปด้วยช้างของนางสนมกํามันอันมีจํานวน ห้าร้อยเชือกนางสนองกำนันบริวารเหล่านั้นล้วนแต่แต่งตัวเป็นบุรุษมีผ้าโพกศีรษะสะพายดาบและถือขอแก้วมณีแล้วขึ้นขับขี่คาชาทานออกจากพระราชฐานพร้อมด้วยคาราชบริพานอื่นอีกเป็นจำนวนมากทั้งพวกขาเดียะ ราชสนมกำนันอีก 16,000 นางก็ได้ตามเสด็จห้อมล้อมพระราชาเป็นยศสบริวานนางสนมกำนัน 16,000 มนนางนั้นได้ห้อมล้อมกระบวนช่างพระที่นั่งไปถัดจากนั้นออกไปก็เป็นกระบวนบุรุษที่มีหน้าที่ รักษาพระราชวังได้ห่มล้อมหน้าหลังเรียงรายไปถัดออกไปเป็นพวกอมาตะอีกห0 0มืคนที่ล้วนแต่แต่งตัวเต็มยศถัดออกไปอีกเป็นพวกบุตรของขาติยะอมาตะประมาณ9ก้า0ื่นคนแต่ละคนล้วนประดับประดาตนด้วยเครื่องประดับนานาชนิดทั้งมีมือถืออาวุธครบครัน เรียบเมือนพิทยาธรนุม่มผู้ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นถัดจากนั้นออกไปก็เป็นพวกพรามหนึ่งหมื่นคนลวนแต่นุ่งห่มผ้าที่มีราคาพื้นละ5 0 0รกะหาปณะนะประมาณราคาเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 บาททั้งยังประดับด้วยเครื่องประดับที่น่าชมมีดอกไม้ทองคำเป็นต้นและยก มือข้างขวาขึ้นรองถวายพระพรชัยดังสนั่นไปในที่นี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักคำว่าพิทยาธรนะครับพิทยาธรนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีวิชาสามารถที่จะทำวิชาให้ตนเองหอได้ท่านจัดว่าเป็นอมนุษย์พวกหนึ่ง แต่มีฐานะต่ำกว่าเทวดาชื่อว่ามีวิชาการกายสิทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้และอยู่ในภูเขาในป่าหิมพาน น, นนะครับนี่ก็เป็นพวกวิทยาธร น, นมนะท่านเปรียบกับบรุษที่ถืออาวุธตามเสรด็จพระเจ้าอาชาติตศัตรูไปนะครับ และต่อจากขบวนพราหมณ์ก็เป็นพวกดุริยะดนตรีสําหรับขับประโคมถัดจากขบวนดุริยะดนตรีไปก็พวกทหารถือธนูดูสะพรั่งและถัดจากขบวนทหารก็เป็นพวกขบวนช้างขบวนมา้าขบวนรถและขบวนเดินเท้าอีก18กองทัพผู้ที่ยืนอยู่ภายนอก ก็ป้องกันการที่จะมีผู้ยิงลูกศรเข้าไปก็ไม่อาจตกถึงพระราชาได้คันหมอชิวโกโมารพัฒได้จัดการรักษาพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นอย่างดีดังนี้แล้วส่วนตนเองจิงตามเสด็จไปที่ใกล้โดยคิดว่าถ้ามีพยันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่พระราชาของเราแล้ว เราจะยอมถวายชีวิตแด่พระองค์ก่อนกว่าบุคคลทั้งปวงการที่หมอชีวโกโกมารพัฒ์คิสละชีวิตเพื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูนับว่าเป็นผู้มีคุณความดีด้านซื่อสั ต, ตย์สุจริตที่หาได้ยากยิ่งนักในบุคคลทั่วไปเพราะบางทีบุคคลเราอาจจะดีแค่เพียงปากพูดว่า จ ะ, งงจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนี้จะทำอย่า ง, งั้นน่ะพูดเสกสรรแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นแต่เวลาทำเข้าจริงๆทำไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนั้นส่วนหมอชีวกเนี่ยท่านคิดอย่างไงทำอย่างนั้นคิดพูดทำเหมือนกันหมดนี่เป็นสิ่งที่แสดงออกมาจากใจของคนผู้ที่มีความซื่อสัตย์จริตต่อผู้ที่เรา เคารพนับถือนี่ก็เป็นตัวอย่างอันดีอย่างหนึ่งสำหรับคนเราเมื่อจะไปรับหน้าที่ที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาดูแลให้ท่านผู้นั้นปลอดภัยจากอันตรายก็ควรตั้งตนอยู่ในสุ จ, จริตธรรมนะครับถ้าท่านมีจิตใจไม่ซื่อต่อท่านผู้นั้นตัวท่านเองนั่นแหละครับจะเป็นผู้ที่ ถูกประนามยาม้หมินจากบุคคลอื่นได้ว่าเป็นคนที่มารู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณกลับกลายเป็นคนเนรคุณคนไปนะครับคนนีการจัดเตรียมหัตถยานเพื่อ น, นำเสด็จที่หมอชีวโกโกมารพัฒ ร, รับหน้าที่เป็นผู้รับพระบรมราชองค์การตามที่มีข้อความกล่าวอยู่ในมารี คำพีทีฆานิกายศีละขันธวัหนังนี้ท่านหมอชีวโกโกมารพัฒจัดเตรียมการเสร็จสับแล้วเขาจึงเข้าไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอาชาติทัตตรว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงส ม, มุติเทวราชข้าพระพุทธเจ้าสั่งให้เตรียมหัตถิยานพร้อมแล้วขออัญเชิญใต้ฝ่าละองทรีประบาทเสร็จไปในบัดนี้เถิดพระเจ้าะ พระเจ้าอาชาติศัตรูจรึงโปรดให้พวก ต, ตรีขึ้นช้างพังห้าร้อยเชือกเชือกละนางละนา ง, นางส่วนพระองค์ทรงช้างพระที่นั่งและมีพวกเหล่าถือคบเพลิงสะพั่งไปทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระนครราชครืด้วยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ ทรงมุ่งตรงไปสวนโม่งของหมอชีวกโกมารพัฒแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูสเสด็จใกล้จะถึงวัดชีวกรัรมพวันวิหารพระองค์ทรงกลัวทรงวันเกรงพระไทยตกพระไัยขั้นคล า, ามขึ้นมาทันทีนะครับและทรงมีความโซยองพโลมาเกิดพระอาการชูชันขึ้นอย่างที่เราเรียกว่า ขนลุกขนชันนะครับจึงตรัสถามหมอชีวกโกมารพัฒว่าลูกคนหมอชีวกท่านไม่ได้ล่อรวงเรามาหรือหรือว่าท่านล่อรวงเรามาให้แก่ศัตรูเพราะเหตุว่าพระพิสุหมูใหญ่ถึง 1,250 งรูป ที่ท่านว่ามีอยู่ในวิหารนี้แต่เหตุไฉนจึงไม่มีเสียงจามไม่มีเสียงกระแอมไอหรือไม่มีเสียงพูดจาพึมพำเลยหมอชีวโกโกมารพัฒกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละองทรีพระบาทปกกล้าวปกกระหม่อมขอใต้ฝ่าละองทรีพระบาทอย่าทรงสะดุ้งกลัวเลยพระพุทธเจ้าค่ะ ข้าพระพุทธเจ้ามิได้หล่อลวงไม่ได้หลอกใต้ฝ่าโลองตรีพระบาทมาให้แกศัตรูพระพุทธเจ้าค่ะขอใต้ฝ่าโลองตรีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินตรงเข้าไปที่โรงกลมนั้นเถิดที่โรงกลมอย่างตามประทีปอยู่เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูสเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยขบวนช้างพระที่นั่ง จนสุดทางแล้วพระองค์จึงลงจากทางพระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทจนกระทั่งถึงประตูโรงกลมแล้วมีพระราชดเลิศถามหมอชีวกโกมารพัฒว่าดูก่อนหมอชีวกพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนหมอชีวกโกมารพัฒกราบบังคมทูลว่า ขอเดชะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งพิงเสากลางทรงผินพระพักไปทางทิศบุรพาคือทิศตะวันออกมีพระปิสุสงนั่งแวดล้อมอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบตามที่หมอชีวโกโกมารพักราบบ่งโคมทูลแล้วจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับยืนอยู่ในที่ควรส่วนข้างหนึ่งและทรงชำรงเห็นพระภิสุสง์นั่งนิ่งสงบเรียบร้อยดุจกับห่วงน้ําที่นิ่งสงบได้ทรงเปล่งพระอุทานว่าขอให้พระอุทัยพระธกุมารของเราจงมีความสงบเรียบร้อยดังกับพระพิสุเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนบรมโมพิษบรมโมพิษทรงพอพระไทยในหมู่พระพิสงด้วยเหตุอะไรพระเจ้าอาชาติตัตส ต, สตสูทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าดยเหตุว่าพระพิสุสง์เหล่านี้เป็นผู้มีความสงบเรียบร้อยมากข้าพระองค์ต้องการให้พระอุทัยพะทกุมา ผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์มีความสงบเสงเงียมเช่นนี้พระเจ้าค่ะและต่อจากนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูท่งน้อมพระเสียนลงทรงอภิวาทพระผู้มีพระภาคยา่าและทรงกราบทูลถามเกี่ยวกับสามัญญผลว่าได้แก่อะไรสามัญญผลก็คือผลของความเป็นสมณะคือประโยชน์ที่จะได้จากการดำรงเพศเป็นสมณะ ที่เห็นได้ในปัจจุบันแพร่ทรงกราบทูลเล่าว่าเกยไปถามครูทั้งหกที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีปุรณกกสปะอจิตะเกตกำพลนิคร น, นาตบุตรอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยครูทั้งหกเหล่านั้นตอบไม่ตรงคำถามเปรียบเหมือน ถ, ถามถึงเรื่องของมะม่วง แต่ไพร่ไปตอบเรื่องขนุนข้าพระองค์จึงกลับพระจุคาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยพิสดารทีเดียวนะคำตอบที่จะตอบพระเจ้าอาชาติสตูนี่นะครับเป็นเรื่องที่มีพิสดารอยู่แต่ว่าในที่นี้จะขอนำมาแต่เพียงโดยโยกซึ่งมีข้อความตังนี้นะครับ บุคเควัเคยเป็นทาสหรือกรรมกรของมหาบาพิตรแต่ได้ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตประพฤติดีงามแล้วมหาบาพิตรจะทรงเรียกให้กลับมาเป็นทาสหรือกรรมกรตามเดิมหรือไม่พระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสตอบว่าไม่เรียกกลับ มีแต่จะแสดงความเคารพถวายปัจจัยสี่ถวายความคุ้มครองป้องกันเป็นอันดีพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรุกว่านี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันและได้ตรัสถึงสามัญญผลข้อต่อไปว่าบุคคลเคยเป็นชาวนาเป็นกะระบดี คือผู้เป็นใหญ่ในเรือนที่ได้เสียภาษีอกรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ของมหาบพิตรมาก่อนต่อมาภายหลังได้ปรงผมละหนุดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมน้ำฝาดออกบวชเป็นบรรพชิตประพฤติปฏิบัติดีตามหลักของสมณวิสัยแล้วมหาบพิตรจะทรงเรียกร้องให้กลับไปเป็นชาวนา เป็นขระหมบดีเสียค่าภาษีอกรตามเดิมหรือไม่ท่านผู้ฟังครับพระเจ้าอาชาติศัตรูจะตรัสตอบว่าอย่างไรโคเห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปกนแล้วกันนะครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติละลาจากไปเพียงเท่านี้ไว้วันต่อไปก็พบกันใหม่สวัสดีครับ